สีห้าข้อเนี่ยข้อสีนี่ถือว่าทำได้ง่ายที่สุดเลยนะคือการพูดเท็จหรือมุสาหรือโกหกเพราะว่ามันใช้แค่คำพูดนะไม่ต้องลงมือทำแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินด้วยนะสีนข้อที่ห้านี่ยังต้องเดี๋ยวนี้ต้องหาเงินนะไปไปซื้อเหล้าหรือไม่ใช่ก็ต้องอ ลงทุนลงแรงหมักเหล้าเองนะกว่าจะได้กินก็ใช้เวลาแต่ว่าการโกหกนี่มันทำได้เลยนะทำได้ง่ายยิ่งสมัยนี้เนี่ยมันทำได้ง่ายกว่าแต่ก่อนเพราะว่าเวลาเราจะโกหกใครเนี่ยนะมันก็ต้องมีอีกคนหนึ่งอยู่ด้วย คือมีการสนทนากันแล้วก็มีการโกหกนะต้องมีอีกคนหนึ่งเนะี่ยที่เป็นผู้ถูกโ ก, กต้องมีสองคนนะอยู่คนเดียวเนี่ยมันโกหกไม่ได้นะแต่เดี๋ยวนี้มันทำได้แล้วนะเพราะว่ามีโทรศัพท์มือถือนะโตอยู่ในป่าก็โกหกได้นะผ่านโทรศัพท์มือถือจจะด้วยคาพูดหรือว่าด้วย ข้อความแล้วโกหกมันก็มีหลายระดับนะระดับพื้นฐานนี่ก็เรียกว่าโกหกสีขาวนะก็คือการโกรหกด้วยเจตนาดีที่มีต่ออี ก, อกฝ่ายหนึ่งเช่นหมออาจจะโกหกคนไข้ว่าไม่ได้เป็นมะเร็งนะทั้งที่เป็น หรืออาจจะไม่ใช่หมอที่พูดนะแต่ว่าจะเป็นญาติลูกอาจจะบอกพ่อแม่ว่าเนะี่ยไม่ได้เป็นอะไรมากนะแค่ปอดอักเสบแต่ที่จริงอนะ่ะเป็นมะเร็งปอดไปแล้วอันนี้ก็ทำด้วยความวังดีแต่คนไข้ไม่ยเขาตื่นตนะหนกเยองทีมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรมากนะ อาจะเพียงแค่ไม่อยากเขาไม่อยาก อ, ากอีกฝ่ายหนึ่งกังวลเป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรบางทีถามากินข้าวหรื อ, อยังอากินข้าวแล้วทั้งที่ยังไม่ได้กินนะอันนี้มันก็อาจจะว่าเป็นเรื่องของมารยา่าก็ได้หรือเป็นเพราะความเก่งใจแต่ถ้ามันไปถึงขั้นหลอกลวงอันนี่ยอันนี้มันเสียหายมากแล้วคนเราเนี่ยนะ ถ้าจะมาถึงขั้นหลอกลวงเนี่ยก่อนที่จะไปหลอกก่อนที่จะไปหลงคนอื่นเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยมันโ ด, โดนหลอกอยู่ก่อนแล้วนะโดนกิเลสหลอกคนส่วนใหญ่เนี่ยก่อนที่จะไปหลอกคนอื่นนะตัวเองโดนกิเลสหลอกไปก่อนแล้วผู้มิฉาชีพเนี่ยที่ไป หลอกคนนั้นคนนี้หลอกเอาเงินหรือว่าหลอกเอาอะไรก็ตามเนี่ยพวกนี้เนี่ยโดนกิเลสมันหลอกไปก่อนละหรือว่าอยู่ในอำนาจของกิเลสไปและ้ะมีความโลภ ก, <c oughs> ก็เลยอยากจะฉกชวยประโยชน์จากผู้อื่นโดยเพราะบางคนเนี่ยซึ่ง ก็รู้ว่าการโกหกหรือการหลอกลวงไม่ดีการคดโกงไม่ดีนะแต่ก็ทำนะทำตั้งที่รู้นะเพราะว่ากิเลสมันหลอกว่าเนี่เออเราทำเพื่อส่วนรวมนะที่เราทุจริตที่เราคดโกงเนี่ยเพื่อที่จะได้มีเงินมีทุนมีรอนเอาไว้เพื่อที่จะ เอาไปช่วยเหลือคนนั้นคนนี้เอาไปเป็นทุนในการหาเสียงเพื่อที่เราจะได้นะมีโอกาสทาประโยชน์ให้บ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นสสหรือเป็นรัฐมนตรนีถ้าเราไม่ได้เป็นสสไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็ทำประโยชน์ให้กับประชาชนไม่ได้แต่จะเป็นได้เนี่ยสสรัฐมนตรีก็ต้องนะมีทุนมีรอน แล้วทุนรอนจอมาจากไหนนะถ้าเราไม่มีการเรียกเปอร์เซ็นต์บ้างอันนี้จะว่าไปมันก็เป็นอุบาหังกิเลสนะความมากมากอยากใหญ่มันก็หลอกให้คนบางคนเนี่ยยอมทำชั่วยอมทุจริตทั้งที่รู้ว่าไม่ดีแต่ว่าพอ กิเลสมันหลอกแล้วด้วยเหตุผลที่สวยหรูก็ยอมแล้วก็หลงเชื่อว่าเออเราทำถูกเราทำดีมันจำเป็นนะถ้าเราจะทำเพื่อส่วนรวมก็ต้องต้องทำแบบนี้แหละต้องคดโกงต้องหลอกลวงถ้าคนจำนวนไม่น้อยเป็นอย่างนั้นนะก็คือร่วมมันไม่ดีไอท้ที่ทำแต่ว่าจำเป็นต้องทำ แล้วที่คือชนะก็เพราะว่าถูกกิเลสมันหลอกแต่บ่อยครั้งเนี่ยกิเลสมันก็ไม่ได้หลอกให้เราทำชั่วผิดศีลคดโกงหรือว่าไปหลอกลวงฉกฉวยประโยชน์จากใครนะมันก็หลอกเราเพียงเพื่อที่เราจะได้ ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อปลเปลืป้อกิเลสอย่างเช่นคนที่รู้ว่ารอไม่ดีแล้วก็อยากจะเลิกเหล้าแต่เลิกไม่ได้สักทีนะเพราะาโดนกินเลสมันหลอกอยู่เรื่อยกินเลสจะบอกว่านี่ครั้งสุดท้ายแล้วนะครั้งสุดท้ายแล้วนะแต่ครั้งสุดท้ายก็มาหลายครั้งแล้ว หรือไม่ก็อ้างเหตุผลว่าเพื่อเข้าสังคมถ้าเราไม่กินกับเขาเนี่ยเราก็กลายเป็นหมาหวนเนะ่าอันนี้ก็เป็นข้ออ้างนะที่กิเลสนะใช้เพื่อหลอกให้เราตกอยู่หน้าหน้าของมันบางคนก็ถูกกิเลสหลอกจนติดการพ น, นัน ทีแรกก็จะลองดูนะจะได้มีรสชาติความตื่นเต้นแต่พอเสียไปแล้วเนี่ยก็คิดว่าเราต้องเล่นต่อนะเพื่อที่จะเอาคืนแลวิธีที่จะเอาคืนก็ต้องต้องเล่นหนักกว่าเดิมเสียร้อยก็เล่นพันพอเสียพันก็เอาลงไปเลยหมื่นหนึ่งแต่แล้วพอ เสียไปมากๆเนี่ยก็คิดว่า้จะถอนทุนคืนได้เนี่ยมันต้องยอมกล้ามันต้องกล้าเสี่ยงบางทีไปกู้เงินเข้ามาเป็นแสนเพื่อที่จะเอาเงินที่เสียไปคืนมาเนี่ยไอ้กิเลมก็บอกอย่างนี้แหละว่าถ้าอยากจะได้คืนก็ต้องเล่นต่อสุดท้ายก็จมปลักเนี่ยอยู่กับการพนันตกเป็นท่าของมัน แต่บางทีกิเลสสำหรับบางคนมันก็กิเลสก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้หลอกอะไรมากไม่ได้หลอกให้ไปกินเหล้าเสพยาเล่นการพ น, นันแต่มันหลอกให้ช อ, อบเนี่ยเห็นอะไรก็อยากได้เห็นอะไรก็อยากซื้อแล้วมันก็อ้างเหตุผลนะอของราคาถูกถ้าไม่ซื้อตอนนี้แล้วเนี่ย โอกาสหน้านี่คงจะซื้ อ, อยากแล้วทั้งทั้งที่มีอยู่เต็มบ้านแล้วหรือทั้งทั้งที่ไม่จำเป็นเลยบางทีบอกตอนนี้เขาลดกระนำนะม n i g h t s เซลอยู่บ้านทำไมเนะี่ยไปซื้อดีกว่าไปซื้อมาเผื่อจะได้ใช้ในโอกาสหน้าอันนี้ก็มีเหตุผลที่สวยหรูนะแต่ว่ามันเป็นการหลอก นะของกิเลสแล้วคนจำนวนมากก็หลงเชื่อแม้แต่จะมาปฏิบัติธรรมจะมาเจริญสตินะกิเลสมนก็หลอกว่าเรายังไม่แก่เลยนะหรือว่าเรายังไม่ได้อกหักไม่ได้ทุกข์อะไรมากจะมาลำบากที่วัดทำไมวันหลังก็ได้นะดีหน้าก็ยังไม่สายนะคนที่เชื่อก็ถูกกิเลสหลอกนะ ท้ายก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมสักทีเวลาเราหลอกคนอื่นเนี่ยมันต้องมีคนอื่นนะให้เราหลอกนะแต่เวลากิเลสหลอกเรานี่เราอยู่คนเดียวนะเราก็เป็นอยู่ของกิเลสได้เหมือนกันนะอยู่คนเดียวนะแต่ว่าชอบกระจจยเนี่ยเพราะว่าซื้อสินค้าออนไลน์นะเห็นอะไรก็อยากซื้อไปหมดทั้งที่เป็นหนีนะ้ถอย บัตรเครดิตมาไม่รู้กี่ใบแล้วเป็นสิบใบแล้วยังไม่ทันได้จ่ายเลยนะก็เป็นก็อยากได้อีกแล้วอันนี้เรียกว่าถูกกิเลสหลอกนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นหลอกใครนะแต่ว่าคนจำนว น, น, น, น, นไม่น้อยเนี่ยก็โดนกิเลสหลอกเข้าไปแล้วจำนวนไม่น้อยเนี่ยที่ไปหลอกคนอื่นได้เพราะว่าถูกกิเลสหลอกอีกที แต่มันมีการหลอกอีกแบบหนึ่งนะที่มันอาจจะน่ากลัว ก, กว่าก็ได้คือการหลอกตัวเองหลอกตัวเองเนี่ยหมายถึงว่าอมีความเชื่อเลยนะมีความเชื่อแบบหัวปากหัวปัป้มหรือฟังนั่นเลยในสิ่งที่มันไม่ใช่ความจริงแล้วคนเราเนี่ยเวลาหลอกตัวเองเนี่ยมันรู้ยากนะหลอกคนอื่นนี่ยังพอรู้ หรือถูกกิเลสหลอกเนี่ยก็อาจจะมรรลุตอนหลังว่าเสียท่ากิเลสไปแล้วเสียท่ามันไปแล้วนะโดนกิเลสหลอกบรรุทีหลังนะแต่ว่าหลอกตัวเองเนี่ยนะบางทีไม่รู้เลยนะแล้วการหลอกตัวเองนี่มันไม่ใช่แปลว่าหลอกเพื่อจะไปทําชั่วหลอกเพื่อไปเอาเปรียบหรือไปโคดโกงใครบางทีมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะ แต่เป็นการหลอกเพื่อให้ตัวเองรู้สึกรู้สึกดีกับตัวเองรู้สึกดีกับตัวเองอย่างมีพู้หญคนนึงเนี่ยแกก็เล่าให้เพื่อนฟังนะบอกว่าเนี่ยพ่อแม่เนี่ยรักฉันมากเลยแล้วก็แสดงความรักอยู่บ่อยๆเวลาฉันเนี่ย ไม่เห็นด้วยกับแม่เถียงแม่นี่แม่ก็ชอบหยิบอะไรที่อยู่ใกล้มือนี่มาคว้างใส่ฉันมีคราวนึงเนี่ยก็คว่างมีดใส่ฉันฉันต้องจ้งต้องสิกเข็มที่ขาเลยนะพ่อก็เหมือนกันนะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยพ่อนี่บีบคอฉันเนี่ยเพราะว่าฉันเนี่ยไปเที่ยวกับผู้ชายที่พ่อไม่ชอบ พูดจบแล้วก็ตัดสรุปว่าเนี่ยพ่อแม่นี่ห่วงใยฉันจริงๆเลยล้วเราฟังเรื่องราวบบนี้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่เลยนะว่าพ่อแม่นี่รักรักเธอเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้ห่วงใยเธอเลยพ่อแม่เนี่ยเหมือนกับโกรธเกลียดเธอด้วยซ้ำนะแต่ผู้หงคนนี้เนี่ยแกยอมรับไม่ได้นะว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ได้รักตัวเอง ทางที่สิ่งที่พ่อแม่ทาเนี่ยมันชัดเลยนะหเอาของขว้างปาเวลาไม่เห็นด้วยกับแม่เอามีดขว้างใส่บีบคอนี่อันนี้มันไม่แสดงเป็นการแสดงความรักนะแต่ก็มีบางคนนวะก็เชื่อในว่าเนี่ยพ่อแม่รักฉันแต่อันนี้ก็เป็นการหลอกตัวเองนะหลอกตัวเองคือยอมรับไม่ได้ว่าเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้รักตัวเอง พอถ้าเกิดยอมรับความจริงเช่นนี้เนี่ยจะรู้สึกแยกกับตัวเองมากเลยนะรู้สึกแยกจนกระทั่งบางทีอาจจะไม่อยากจะอยู่เลยและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คนเราเนี่ยยอมรับได้ยากเพราะคนเราทุกคนมันก็มีอัตตาเนอะอัตตาเนี่ยมันก็พยายามที่จะทำให้ตัวเองนดูดีอัตตานี่ยมัน ชอบตอกย้ำตัวเองรอบประกาศที่คนอื่นได้รู้เนี่ยฉันดีฉันเก่งหรือบางทีก็ตอกย้ำตัวเองเนี่ยฉันเป็นที่รักของพ่อแม่ฉันเป็นลูกที่น่ารักของพ่อแม่เพราะอำนาจขังตาแบบนี้มันทำให้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยยอมรับไม่ได้ว่าเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้รักเธอเล ย, เยแถมเกลียดชังด้วยซ้ำก็เลยต้องหลอกตัวเองนะว่าเนี่ย พ่อแม่นี่รักฉันพ่อแม่ห่วงใยฉันอันนี้เพื่ออะไรนะเพื่อให้รู้สึกดีกับตัวเองหรือจะเลือกเป็นการปกป้องอัตตาก็ได้เพราะอัตตานี่มันมันทนไม่ได้นะกับความจริงที่ว่าเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้รักฉันฉันไม่มีคุณค่ามากพอที่พ่อแม่จะรักนะความสุ่มแบบนี้มันมันบีบขั้นมันกระแทกอัตตามากซึ่ง มันสับหลายคนเป็นเรื่องที่รับได้ยากที่จริงไม่ใช่หลายคนคนส่วนใหญ่ก็รับได้ยากแต่บางคนก็ก็ยอมรับความจริงถึงแม้ว่าจะเจ็บปวดแต่เพียงคนนี้เขาก็หลอกตัวเองนะหลอกตัวเองว่าเนี่ยฉันเป็นลูกที่พ่อแม่รักบางทีก็หลอกตัวเองว่าฉันเก่งนะฉันเก่งอันนี้เนี่ยคนจํานวนมากก็เป็นกันนะ โดยไม่รู้ตัวก็ เ, เคยมีการทดลองนะ ท, ทดสอบนะเอาคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยมาทำแบบทดสอบบอกว่าม า, มาวัด IQ มีข้อสอบมีแบบทดสอบอยู่ร้อยข้อนะแบ่งเป็นสองกลุ่มนะทำข้อสอบเหมือนกันเลยแต่กลุ่มแรกเนี่ยมันมีคำเฉลย อ, อยู่ท้าย บดทดแบบทดสอบนะมีคําเฉลยทุกข้อเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอทําแบบทดสอบเสร็จเนี่ยมันก็แน่นอนนะว่ากลุ่มแรกเนี่ยจะได้คะแนนดีกว่านะดีกว่ากลุ่มที่สองเพราะกลุ่มที่สองนี่ไม่มีคําเฉลยนะอยู่ท้ายบททดสอบได้คะแนนนี่เก้าสในร้อยเ้าส้าในร้อยเลยนะในระาที่ กลุ่มที่สองเนี่ยนะบางทีได้หกสิบเจ็ดสิบทีนี้เนี่ยเขาก็ให้กลุ่มแรกเนี่ยไปทำบททดสอบอีกชุดหนึ่งนะร้อยข้อเหมือนกันแต่ก่อนทำก็ให้ประเมินว่าเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยจะทำถูกได้กี่ข้อถ้าทุกคนเลยนะในกลุ่มแรกเนี่ยจะบอกว่าเนี่ย จะทำได้เนี่ยถูกเนี่ยเกสิบหรือ95้าสบห้าข้อเลยในร้อยนะทั้งๆังที่บททดสอบเนี่ยร้อยข้ออันหลังเนี่ยนะมันไม่มีคำเฉลยแล้วทุกคนก็รู้นะแต่ก็คิดว่าเนี่ยไอ้ที่ชั้นทำได้คราวที่แล้วเนี่ยได้ต้องเกสกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่นะเป็นเพราะความสามารถของชั้น มันไม่ใช่เพราะมีคําเฉลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจอบททดสอบข้อสอบชุดที่สองเนี่ยก็มั่นใจว่าเนี่ยฉันก็จะทําได้คะแนนดีเท่าเดิมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการหลอกตัวเองนะว่าเนี่ยที่ทําได้ดีครั้งแรกเนี่ยเพราะว่าฝีมือของตัวเองล้ว น, วนอันนี้เพื่อความมั่นใจนะคนที่ทําการทดลองเนี่ยก็ก็ทดลองใหม่นะเอา ทำซ้ำแต่ว่าใช้กลุ่มใหม่แต่ว่าพอให้ทำบททดสอบชุดที่สองเนี่ยผู้ทดลองก็จะบอกกับผู้ที่มาทำการทดสอบว่าเนี่ยถ้าคุณประเมินถูกนะว่าคุณได้กี่คะแนนนะถ้าคุณประเมินถูกคุณได้รางวัล น, นะ แต่ถ้าคุณประเมินผิดนี่คุณโดนหักเงินนะแม้กระั่นั้นเนี่ยนะทุกคนก็บ อ, อกเนี่ยจะทําได้จะทําได้ดีนะทั้งที่ก่อนหน้า น, านาที่ทําได้ดีเพราะมีคําเฉลยแต่คราวนี้ทั้งทั้งที่ไม่มีคําเฉลยและทั้งทั้งที่รู้นะว่าถ้าประเมินผิดนะจะโดนหักคะแนา น, านแต่ตัวเองคิดว่าเนี่ยที่ตัวเองทําได้ดีเนี่ย เพราะว่าฝีมือตัวเองมากกว่าเพราะฉะนั้นก็เลยมั่นใจว่าเนี่ยมาทําบททดสอบชุดที่สองเนี่ยก็จะทำได้ดีเหมือนเดิมอันนี้ก็เลยเป็นการยืนยันว่าเนี่ยเขาเชื่ อ, อจริงนะ ว, ว่าเขาเก่งทั้งที่ไอความเก่งเนี่ยทั้งที่ไม่ได้เก่งจริงนะแต่เป็นเพราะว่าไปไปดูคําเฉลยอันนี้มันก็เป็น การทดลองที่เชื่อมากคนเราเนี่ยนะจะว่าแต่คนที่พิเศษหรือคนทั่วไปเนี่ยมันก็หลอกตัวเองได้ง่ายนะว่าเนี่ยที่ฉันเก่งเนี่ยที่ฉันตั้มได้คะแนนที่เพราะเพราะฝีมือของฉั น, นไม่ใช่เพราะมีตัวช่วยมันก็ทาให้น่าคิดนะว่าเนี่ยการหลอกตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนบางคน ที่จิตไม่ปกติแต่ว่าคนทั่วไปก็มีโอกาสที่จะหลอกตัวเองได้ง่ายดยเพราะการเราว่าตัวเองเก่งหรือที่ไม่ได้ไม่ได้ยอรับความจริงว่าไอ้ที่ทําได้คะแนนดีเพราะมันมีคำเฉลยแล้วคนเก่งหลายคนเนี่ยมันก็สามารถที่จะหลอกตัวเองได้นะเพราะเหตุผลหนึ่งในการที่คนเราหลอกตัวเองก็เพื่อทำให้รู้สึกมั่นคงปลอดภัย คนเราเนี่ยมันก็ย่อมมีความกลัวนะแต่ว่าถ้าเราหลอกตัวเองได้เนี่ยมันก็ทำให้หายกลัวเพราะมันมีตัวอย่างที่น่ายก่าคลาสสิกนะสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยฮิตเลอร์เนี่ยกขาประกาศว่าเขาจะบุกยึดรัดเสเซียนะรัเสเซียตอนนั้นเนี่ยพูดนาคือสตาลินนะซึ่งเป็นคนที่ฉลาดมาก แล้วก็โหดเหี้ยมเลยสตาลินเนี่ยก็กลัวนะว่าฮิตเลอร์เนี่ยจะบุกรัเสเซียก็เลยพยายามทำสนธิสัญญานะเป็นมิตรไม่โจมตีกันนะแต่ท้าที่ทำสนธิสัญญากันแล้วเนี่ยฮิตเลอร์ก็ยังแสดงท่าทีนะว่าจะบุกยึดรัดเสเซียแต่สตาลินเนี่ยนะซึ่งเป็นพูน่นะรัเสเซียเนี่ย ก็ไม่ยอมรับนะว่าฮิตเลอร์เนี่ยจะทําอย่างนั้นเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่พร้อมที่จะทําสงครามกับเยอรมันก็เลยหวังจะเป็นความหวังลมลอยแรง ๆ, ๆก็ได้ว่าเยอรมันจะไม่บุกรัเสเซียแล้วก็มันก็ไม่ใช่เป็นความหวังลมลอแรงๆนะมันเป็นความเชื่อเลยนะเชื่อฝังใจแล้วเนี่ยฮิตเลอร์ไม่ทําอย่างนั้นเด็กขาดแต่ว่า หลังจากที่มันมีสัญญาณออกมาเรื่อยๆเนี่ยเช่นสถานทูตรัสสถานทูตอังกฤษเนี่ยก็เตือนรัเสเซียนะซึ่งเป็นพันธมิตรนะว่าเนี่ยเยอรมันจะบุกรักเสเซียนะสตาลินบอกไม่เชื่ออันนี้เป็นการยุแยงของอังกฤษที่จะให้เกิดความแตกแยกกันระหว่างรัเสเซียกับเยอรมันต่อมาสายรับรัเสเซียก็ส่งข่าวมาบอกสตาลินนะว่าเนี่ย เดลามาันจนจะบวกรัสเซียนะซารินบอกไม่เชื่อฮิตเลอร์เนี่ยไม่มีทางทำอย่างนั้นเด็กขาดเพราะฮิตเลอร์ไม่ใช่คนโง่ฮิตเลอร์เนี่ยจะทำสงครามสองแนวลบได้ยงไงนะแนวลบตันตกก็ไปสู้กับอังกฤษฝรั่งเศสแล้วยังจะทำสงครามแนวลบตวันออกกับรัสเซียเหรอฮิตเลอร์ไม่โง่หรอกนะตอนหลังเนี่ยนะมันก็เริ่มมีนะการอ่ มีการรัตตเวนโดยเครื่องบินของอังเยอรมันใกล้ๆผมดัตัเสเซียก็มีคนส่งข่าวให้สตาลินสตาลินบอกคิดเลอกคงไม่รู้หรอกนะว่ามีเหตุการณ์นี้มันเป็นการกระทําของนายพลเยอรมันแถวนั้นเองคิดเลริรไม่ทํายี่เด็ยขา่าวจงกระทั่งวันที่เนี่ยเยอรมันนกรีธาทัพ บ, บุกรัเสเซียนะมีคนแจ้งข่าวไปที่สตาลินสตาลินก็บอก อันนี้มันเป็นการย่วยุของนายพลนะเยอรมันแต่ไม่ใช่เป็นความตั้งใจของฮิตเลอร์ฮิตเลอร์ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกจนกระทั่งเนี่ยถึงปานนั้นเนี่ยก็ยังไม่เชื่อนะเพราะว่าสตาลินหลอกตัวเองว่าฮิตเลอร์จะไม่ทําอย่างนั้นนี่ขนาดคนฉลาดนะจนกระทั่งพอถึงเวลาที่รัสเยอรมันเนี่ยบุกรัเสเซียจริงๆนะหลักฐานนี่มันคาหนังคาเขาชัดเจนมากเพาว่าสตาลินนี่เป็นอำมาตยไปเลยนะ นิ่งอึ้งทำอะไรไม่ถูกเลยนะเป็นอัมพาตไปเลยนะคือไม่สามารถจะบังคับบัญชาอะไรได้นะไม่สามารถจะสั่งการอะไรได้เลยเรียกว่าอัมพาตกินเนี่ยไปหลายวันเลยอันนี้มันก็เป็นตัวอย่างนะคนที่หลอกตัวเองเนี่ยทั้งที่หลักฐานเนี่ยมันก็ชัดเจนบันพรั่งทูตลอดเวลา แต่ก็ไม่ยอมรับเพราะว่ากลัวกลัวว่าถ้าเยอรมันบุกแล้วเนี่ยฉันจะแย่เพราะนั้นก็เลยนะสร้างเหตุผลที่จะมาหลอกตัวเองว่าเนี่ยเยอรมันไม่ทำอย่างนั้นเด็ก ข, า, ขาดขณะคนฉลาดนะก็ยังไม่ไวายที่จะหลอกตัวเองแม้ว่าจะมีข้อมูลมีหลักฐานต่างยืนยันแล้วเรื่องการหลอกตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ ตว่าไปล้านี่มันก็น่ากลัวนะเพราะมันสามารถจะเกิดขึ้นกับ ใ, ใครก็ได้และสิ่งที่เราถ้าว่าเราเห็นความจริงตรงนี้เนี่ยนะก็ต้องไม่ประมาทนะแลลุกอยู่เสมอว่าเนี่ยให้เราเนี่ยอาจจะหลอกตัวเองก็ได้เนะี่ยไม่ใช่แค่กิเลสหลอกเราเท่านั้นให้การที่รู้จักทักท้วงความคิดของตัวเอง รู้จักทักท้วงความเชื่อของตัวเองหรือว่ารู้จักทักท้วงตัวเองบ้างเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญนะแม้ว่าจะสําคัญไหว่าฉันเก่งฉันเก่งนะแต่ลองทักท้วงดูว่าที่เก่งเนี่ยเป็นเพราะฝีมือเราหรือเป็นเพราะอะไรหนะ่าหรือเพราะโชคช่วยถ้าเราจักทักท้วงตัวเองอยู่บ้างเนี่ยนะมันก็ช่วยทําให้การหลอกตัวเองเนี่ยเกิดขึ้นได้ยาก รวมทั้งทักท้วงความคิดต่างๆซึ่งกิเลสเนี่ยมันก็ชอบสรรหามาหลอกลวงเราถ้าเราจักทักท้วงความคิดทักท้วงเหตุผลต่างๆที่มันอยู่ในหัวเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่หลงนะเป็นเหยื่อของกิเลสหรือไม่หลงเป็นเหยื่อของอัตตาที่มันพยายามที่จะสร้างกรอบสร้างกรอบนะสร้างเหตุผลหรือว่าความเชื่องต่างมาหลอกตัวเอง ทั้งหมดนี้เนี่ยนะมันเป็นการหลอกตัวเองเพื่อให้เรารู้สึกดูดีแต่มันยังมีการหลอกอยู่แบบหนึ่งนะหลอกให้ตัวเองเนี่ยทุกข์มากขึ้นนะนะเช่นคนที่เวลาอยู่ในที่มืดมดอยู่คนเดียวบางทีก็ได้ยินเสียงกุกกะ ก, ก, กุกก็ไปปรุงแต่งนะว่าเนี่ยเสียงผีเสียงสางหรือว่าเสียงคนประสงค์ร้ายไอ้แบบนี้เนี่ยมันเป็นกันบ่อยนะ มันไม่เปต้องหลอกตัวเองแต่ว่ามันเกิดจากความจิตที่มันปรุงแต่งการหลอกตัวเองเนี่ยมันหลอกเพื่อให้เรารู้สึกดูดีแต่ว่าจิตบางครั้งมันปรุงแต่งที่ทำให้เราทุกข์นะทำให้เรากลัวทำให้เราผวาเกินเกินความเป็นจริงไปรวมทั้งการชอบคิดลบคิดร้ายนะปรุงแต่งสารพัดที่ทำให้เราเกิดความกลัวเกิดความโกรธเกิดความหนักอกหนักใจอันนี้เกิดขึ้นประจานะ แต่ถ้าว่าอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกดูดีนะรู้สึกดีกับตัวเองรู้สึกมั่นคงปลอดภัยอันนี้บางทีเนี่ยมันเป็นฝื้อมือของการหลอกตัวเองนะแลต้องแยกย้าให้ถูกด้วยที่สําคัญก็ต้องมีสติรู้เท่าทันแล้วก็หมั่นไข้ครควญ น, นะตรวจสอบตั้งคําถามกับตัวเองอยู่เสมอเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาเอาก็ลองตั้งคําถามด้วยมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้ เวลาที่เราสึกดูดีขึ้นมาก็ลองคิดดูว่าเนี่ยอาจจะเป็นการหลอกของอัตตาที่มันทําให้เรานะประมาทหรือทําให้เราไม่เห็นความจริงไม่อยากรับความจริงคิดเจ็บปวดก็ได้ดังคนเราต้องซื่อสาตกับตัวเองนะให้การซื่อสัตย์กับคนอื่นเนี่ยมันยากอยู่แล้วนะแต่ว่าซื่อสาตกับตัวเองยิ่งยากเขึ้นไปใหญ่แต่ถ้าเรารู้จักซื่อสัตย์กับคนอื่นนะไอ้การที่เราจะซื่อสัตกับตัวเองมันก็จะง่ายขึ้น ถ้าเราซื่อสักระตัวเองมากเท่าไหร่เนี่ยการที่เราจะซื้อตรงกับคนอื่นมันก็ง่า ย, ยการที่เราจะรักษาศีลให้ครบถ้วนก็เป็นไปได้อย่างปกติอานนี้พุทานี้นะโอากับ